ภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผุทธ ar ัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผุทธัสสะ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 ท่านให้ชื่อว่าภาวนา <c oughs> อันการภาวนานี้มีเยี่ยงยางมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งกันเองทำกันเองเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จออกบรรพชาออกบวทนั่น พระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยถ้ำครูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบส ง, งัดเขาหิมาลัยประเทศอินเดียป่าหิมาพานลึกพระองค์ไปปฏิบัติภาวนา ค้นคิดพินิษพิจารณาเพื่อให้ได้ตรัสลูลเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบรารมีมามากมายนับได้ว่าสีอสงไขยแสนมาหากัรนับตั้งแต่ได้ลัทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง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 เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีก็สเสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณะเพศฤาษียังไม่ได้ตรับสลู้เป็นพระพุทธเจา้าอยู่มาได้หกพันาล่วงแล้วหรือว่าผ่านหรือดูฝนไปหกปี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 เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขว า, าขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็หลับตาเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตอธิฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้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 เมื่อเวลาลมหายใจออกมาก็รู้รู้ว่าลมหายใจออกมาพระองค์ตั้งจุดลงไปที่ดวงจิตผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าและออกสติความ ล, ลึกได้พระองค์ก็ ล, ลึกอยู่ในที่นี้ไม่ยอมให้จิตนี้คิดฟุ้งซ่านไปไหนที่ต่างๆให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เอง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 ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอปปนาสมาธิคือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามธรรมดาของโลกที่แล้วๆวมาพระองค์ตัง้งใจรวมใจลงไปสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว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 ดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำพระทัยใจพระพุทธยจ้ก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสร้ลระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิน้น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 ผลที่สดก็มีเหตุปัจจัยให้แต่ให้ตายเป็นความทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้ว <c oughs> ก็มีความเมตตามีความกุณนามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้จัดพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวคีทั้งห้า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 ตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าจิตใจจึงได้มกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตติวัตถุกรมจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี้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 ไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงนะ่คือว่าเจ็ดดวงผู้รู้อย่ในนั่นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นและให้สงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกถ้ามันรวมเป็นดวงเดียวสงบระ ง, งับตั้งมัน่น จึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคนีนเป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครังพุทธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายกนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มาก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 เย็ดใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมัน่นถือมั่นในที่ทางปวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจเย็ดใจมันก็ทุกรอนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายโยอย่างนั้นเอง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 ถ้ารวมกําลังจิตใจดีๆจิตใจนั่นจะรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เวลานี้ขณะนี้จึงให้พากันรวบรวมสติความระลึกอยู่สมาธิจิตให้ตั้งมั่นลงไปจำเพาะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่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 เพราะถ้าเกิดมาแล้วเราลู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครลู้แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วลนั่นแล้วลูบทีหลังในเวลาภาวานาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจตรงนี้ลงไปดถ้ามันเห็นแจ้งในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ้ง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 แต่ว่าจิตไม่สงบประงับไม่ตั้งมั่นเสียก่อมันไม่รู้มันหลงไปเสียเลยความหลงเหล่านี้แหละท่านแก่ในการภาวนานี่แหละเมื่อจิตสงบตั้งมัน่นท่องใสสะอาดไม่คุ้นข้องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆเจตใจดวงนี้ก็มีกำลังมีความแก่กล้าสาม า, ารถอฐาน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 ตนเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโทรปรโลทยาบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้พึ่งจิตใจที่สงบตั้งมัน่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติมืมสงบกายสงบอาจาสงบจิตใจรวมจเจตไปเข้าไปภายในใหของเหล่านี้เองเรียกว่าความเพีย ความมันทำกระยันความเป็นผู้มีพญาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามอะไรกิเลสต้องตน้นให้มาไปจนถึงจิตจาจสงบประงับเย็นสบายไม่ติดข้องผัวพันในที่ทางปวงเรียกว่าภาวนาทมความเพียรละกิเลส ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวยัยใดไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่นักบวชจะอยู่ในเพศพันวันนะวงกับจิตใจที่ภาวนาตั้งใจมีสติเต็มที่เป็นมหาสติปัฏฐานอาจิต ธ, ธรรมเมื่อมีความลาโยอย่างนี้ตั้งจะเจตใจของบุคคลผู้นั้น ย่อมมีความตั้งนักุธาทั้งบวงชีวิตบนกุศลอย่างคนจหนีจากทุกข์แล้วทุกข้อนุมาสมโพธิทางตาหูทางจงมูกทางองเลงยานข้างหลังเมื่อเลงยานไปขังที่เป็นมาแล้วนับหม่เกิดที่ตายที่นั่นแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ตายที่ใหม่ต่อกันเรื่อยไป เอกชาติคือว่าพบนับชาติทั่วมากมายที่หลังไปประคังหน้าก็มาถึงพระองค์ได้ตัดสูมันก็หยุดแค่นั้นไปอีกเพราะพระองค์รู้เท่ารู้ทรนมแลแกิเลสมารสังขารพระองค์รู้เท่าทันก่อนใครทั้งหมดในโลกทั้งในโลกมนุษย์มนุษย์สโลก ทั้งในเทวโลกพระองค์ก็ไม่หลงทั้งกมาโลกพระองค์ก็ไม่ล ง, ง, มมล พ, ร ง, ลงพระองค์รู้เท่าทันหมดดัดกิเลสตัณหามาณะทิฏฐิจนหมดสิน้นเรียกว่าดับกิเลสความโกรธได้ดับกิเลสความโลภความอยากได้ดับกิเลสความหลงหมดสิน้นพระองค์แจ้งซึ่งให้ผ่าน จิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตในตในอะไรต่อมิอะไรจึงชื่อว่าพระเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วต่อมาพระองค์ก็เทศนาวาการ โปรดปัญจวัคคีฤชีทั้งห้าที่ป่าอิสิปัตตนะมลึกธายาวันมองพาลานาสีแสดงปฐมเทศนาทรมาจากกับะวัตนาโซจบลงไปพระอัญญาโกนัญญะก็ได้บรรลุธรรมโสดาปฏิผล ต่อมาพระองค์ก็ตัดอนัตตลักษณะสรทำให้ปล่อยวางรูปนามกายใจตัวตนสัตบุคคลให้กำหนดพิจารณาขันห้าให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังองอนัตตาจองปล่อยวางตัวตนได้ทั้งทั้งห้าก็เป็นพระอาราหาันตาที่นาสบยกทรมมาจันทร์ไป พระองค์ก็จัดสาวกทั้งห้าองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระองค์เองก็โปรดสักไปอีกพระองค์เององค์เดียวมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายก็มีความยินดีพอใจในพระสธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า แรี ว, ว่าเลื่อมสายเต็นที่พระองค์ชี้แจงกระแดงอย่างไรก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตามผลที่สุดมนุษย์สมัยนั้นพร้อมทั้งเทวดาอินทรสมไม่เลือกชั้นวันนะได้สำเร็จตั้งแต่โซโดาปฏิผลจนถึงอรหัตตผลก็เป็นอันว่าจบพรหมจรรันท์ ไม่มีความยึดหน้าถือตาไม่มีความยึดตัวถือตนไม่มีความยึดเรายึดของของเราภาวนาทำความเพียรไม่ทอถอยญาติโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์สามมันเนนก็ภาวนาไม่ทอดทุละไม่เหมือนพระเทวทัพ พระเทวทัพนั้นมีตั้งแต่ขัดข้านพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายผลที่สุดพระเทวทัพเมื่อแกชาลามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามมาจะมากราบพระพุทธเจ้าว่าเรานั้นมีแต่จะทําขัดข้านพระพุทธเจ้าจะมาขอโทษขอปลยเิด็จไปก็เริ่มมาไม่ถึงพอมาใกล้จะถึง ลูกศิษ์ก็ป่งหาบป่งหามลงไปแผ่นดินทั้งนาสองแสนสี่หมือนยอดอยู่ไม่ได้แยกเป็นสองภาค พ, พระเทวทัตก็ตกลงโเอาเวจีหมานลกนั่นคือว่าพระเทวทัตไม่ปฏิบัติธรรมงัวแต่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิต ด, ด้วยใจผลที่สุด พระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองนิพพานพระเทวทัตไปอยู่มอนลกอเวจีมานลกเป็นน้นเราท่านทั้งหลายบัดนี้เรามีจิตใจมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเพียงพอแล้วอย่ามาย่อท่อในหัวใจ ตงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจนี่ให้ได้เอาจนกังชัยชนะ ไ, ได้เหมือนภาษาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุท ธ, ธากาลสมัยโน้นท่านมีความตั้งใจมั่นไม่วันไหวไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกัวเมื่อยกลัวหิวนั่งภาวนาก็ได้นานนานจนละกิเลสได้ บดงนจงกลงก็ได้นานนานจนละกิเลสได้ในทางจงกลมตัดกิเลสได้ในทางจงกลมท่านเอาจริงเมขะน ม, มององค์เป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนากว่าจะลาบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าก็ยากทีนี้มาบวชใหม่ ง่วงเหงาหานอนท่านก็ไม่นอนท่านเดินจงกลมออกเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุโทโธจะเอาให้ได้สำเร็จเดินจนกระทั่งว่าหนังเท่าแต่เลือดไหลเดินไม่ได้ความเคียรของท่านก็ยังไม่หยุดเมื่อเดินไม่ได้ทำยังไงท่านก็คาม ้านในแผ่นดินเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างภาวนาพุโทโธคือไม่ยอมนิ่งไม่ยอมหลับภาวนาให้มันติดต่ออยู่ในใจทีนี้ทานเข้ามันก็ไม่หยุดง่ายๆ่าอันี้ทานอยู่นั้นภาวนาพุโทโธด้วยไปเข่าแตกอกเลือดไหล มืก็เลือดไหลออกมาทำอย่างไรบัางแต่ความเพียรของท่านยังมีใจของท่านไม่ทอถอยทีนี้ท่านก็นอนขวางนอนในพื้นแผ่นดินขวางทางจง ก, ก็กลิ่งเล้าบ้เนกลิ่งไปกลิ้งไปภาวนาพุทโธเพื่อให้ใจมันหลับได้สติสตังก็ตามรักษาจิตอยู่ภายใน จนสุดทางจงกลมกล็เปล่งกลับมาสุดทางจมกลมกล็เปล่งกลับไปภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าเพราะว่าการเปลือ ง, ลงนอนเนี่ยมันไม่มีไม่มีแตกที่ไหนละมันหนักเท่าๆกันจนได้สําเร็จนายเดินจมกลมแบบเึ่งนอนไป นเนราวทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามมณเนนผ้าขาวนางชีท่าฮวาทําความเตียนขนาดหลวงพี่องค์นั่นแล้วรับรองว่าได้สำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี้เอาดูทีโดนจนเท่าแตกเลือดไหลค า, านจนเข่าแตกมือแตกเลือดไหลค า, านไม่ได้นอนกลิ้งเอา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 ฉนั้นต่อไปให้พากันสร้างพลังงานในจิตให้สา ม, มารถอ่านฐานต่อลึอกถึงพระบรมศาสตรอาจารย์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมาสีอสงไขยแสนมหากรจึงได้ตรัสรู้เป็นสรพพุท ธ, ธเจ้าในชาตปัจจุบัน ไม่ใช่พระองค์นั่งนั่งนอนนอนเดียก็ได้สําเร็จไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์บังเพ็นทานรักษาศีลภาวนาบารามีสามสิทัศบารามีสิระการทานการให้การบริจาคพระองค์ก็ทําได้เต็งที่ศีลรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปก็ทําได้ในคัมบารามีออกบวช ไม่กังวลอยู่แค่คารวะญาติาโลโยมพระองค์ก็ทำได้ปัญญาบรารมีฝึก จ, จิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาสอดส่องในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองพระองค์ก็ทำได้วลย